ห้าิกสุณีทูสกา ว, วัตถุว่าด้วยคนประทุษร้ายภิกษุณีเป็นต้นบรรพชาห้ามคนประทุษร้ายพิกษุณีเป็นต้นอุปสมบทข้อหนึสิบสมัยนั้นพิกษุณีหลายรูปได้เดินทางไปจากเมืองสาเกตไปกรุงสวัตถีระหว่างทางจนยกพวกออกมาปล้นพิกษุณีบางพวกทำร้ายพิคุณีบางพวก เจ้าหน้าที่ยกกําลังออกจากกรุงสวัสดีไปจับโจรบางพวกได้บางพวกหลบหนีไปพวกที่หนีไปได้บรรพชาในหมู่ภิกษุพวกที่ถูกจับกําลังถูกเจ้าห น, น้านที่นําไปฆ่าพวกโจรที่หนีไปบปรรพชาได้เห็นโจรเหล่านั้นกําลังถูกนําไปฆ่าก็กล่าวขึ้นว่าดีแล้วที่พวกเราหนีรอดมาได้ถ้าวันนั้นถูกจับก็จะต้องถูกฆ่าเช่นนั้นด้วยภิกษุทั้งหลายถามว่าท่านทั้งหลาย ก็พวกท่านได้ทำอะไรพริกษุเหล่านั้นได้บอกเรื่องนี้ให้พิกษุทั้งหลายทราบพวกพิกษจจึงกราบทูลให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าพิกษุทั้งหลายอนุประสัมบัญผู้ประทุษร้ายภิษุณีไม่พึงให้อุปสมบทที่อุปสมบทแล้วให้ศึกเสียวงเล็บ8